เคยมาครับป่แล้วรู้จักที่นี่ได้ไงหนูไปทำพราจารย์เทพในทุกค่ะอ๋อยังศึกษาสามยออ๋อสามยอชอบใจนะเราฟังมาตลอดเลยยอมหยุดเย็นใจเราจะมีความสุขเมื่อเรารู้จักสามยอ ยอไม่ใช่ยอให้เขายอเราแต่เรายอเขายอแปลว่ายอมยอแปลว่าหยุดยอแปลว่าเย็นถ้าเรายอมแพ้แล้วเราก็จะหยุดต่อสู้หยุดต่อสู้แล้วเราก็จะเย็นสบายถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็จะสู้พอสู้เราก็จะทุกข์อันนี้ไม่ได้หมายถึงสู้คนอื่นนะสู้กับกิเลส เอสู้เอาชนะกิเลสด้วยการยอมแพ้คนอื่นเราเกเรดเรามันชอบเอาชนะคนอื่นพออยากจะเอาชนะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ชนะแล้วถ้าแพ้ก็เกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความโกรธเกลียดเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมแพ้ เราก็ไม่ต้องอไปมีอะไรกับเขาเราหยุดหยุดตอบโต้เขาจะพูดเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทําไปถ้าเราเดือดร้อนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายไม่ชาอะไรก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย <Okay. S 1> แต่เราจะไม่ให้ใจเราต้องเดือดร้อนกับความ แก่ความเจ็บความตายของร่างกายยอมให้มันถ้ายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเราจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะเย็นถ้าให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องตายหนีไม่พ้นสักวันหนึ่งก็ต้องตา ย, ยอย่างใดอย่างหนึง่งแบบไหนแบบหนึง่งอันนี้อาจจะเป็นวิบากเรามีต่อกันมาเขาเลจองเวรจองกรรมเราเขาอยากจะฆ่าเรา ถึงแม้เป็นผรหาหลานท่านยังท่านยังไม่ตอบโต้เลยพระโมคคาลลานะท่านก็ถูกคนเขาตามฆ่าท่านก็มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริท่านสามารถใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริป้องกันตัวท่านได้แต่ท่านก็ไม่ใช้เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมถ้าใช้หลบได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่ ทำให้ช้าก็เร็วก็ร่างกายนี้ไม่มีอะไรจะมาปกป้องมันได้ถ้าเราพยายามปกป้องมันมันจะทําให้เราทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่ปกป้องคือเราดูแลรักษาไปตามสภาพถ้าไม่สามารถรักษามันได้ก็ปล่อยให้มันไปแล้วใจจะเย็นใจจะสบายที่มาของความว่าอยาอมหยุดเย็น เวลาจะมีเรื่องกับใครก็ยอมดีกว่าอยอมความกันอย่ามาทะเลาะวิวาสกันอย่ามาโกรธเกลียดกันเลยคุณต้องการอะไรอะเอาไปได้เอาไปขอให้มันจบยุติธรรมคาว่ายุติธรรมก็คือให้มันหยุดถ้าเขาหยุดเราหยุดมันก็ยุติธรรมต่างฝ่ายต่างหยุดนี่ การจะหยุดก็ฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมถ้าเรายอมทุกอย่างแล้วเขาก็หยุดเองให้เราคิดว่าของที่เราจะต้องเสียไม่ช้าก็เร็วเาัาเวลาเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้จะเป็นสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของหรือบุคคลต่างๆเราเอาไปไปไม่ได้เลยเวลาที่เราตายแต่ถ้าเรา หวงเรายึดเราต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาแทนที่เราจะมีกับมีความสุขกับของที่เราปกป้องรักษาเรากลับต้องทุกข์กับมันทุกเพราะเราต้องคอยต่อสู้คอยปกป้องรักษาแต่ถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงว่าของทั้งหลายไม่เที่ยงมีมามีไปมีเกิดมีดับถ้าถึงเวลาเขาจะไปก็ ก็ต้องให้เขาไปถึงเวลาเขาจะดับก็ต้องให้เขาดับถ้าเรายอมรับความจริงเราก็ไม่ต้องมาต่อสู้มาปกป้องคอยรักษากันถ้ามันจะอยู่มันก็อยู่ถ้ามันจะไปทำยังไงมันก็ห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยเราไม่ต้องมาเสียใจมาทุกเวลาที่ต้องจากกันเวลาต้องสูญเสียงไป นี้คือเรื่องของจิตใจของเราจิตใจของเรานี้สุขเพราะว่าเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เราไม่สามารถที่จ ะ, ะบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดเขาจะต้องมีการจากไปเป็นธรรมดา เราต้องมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายของเรานี้เราก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ได้ห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายเราก็จะสู้เราก็จะไม่หยุด ยุดต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายโดยวิธีการต่างๆคนที่เขาต่อสู้กับความแก่เขาทำยังไง mm. เขาก็ไปย้อมผมเขาก็ไปทำศัญญกรรมไปดึงหนังดึงอะไรดึงหน้าดึงหนังแต่ดึงยังไงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวนี่ย้อมยังไงเดี๋ยวมันก็งอกอยูอดีดีไม่ดีมันไม่งอกมัน มันหนุดไปเลยผอมร่วงไปเลยไม่ยอมมากๆเดยกก็ไปเป็นมะเร็งี้มันเป็นมะเร็งผิวหนังอีกสรุปแล้วก็เพื่อความแก่ความเจ็บความตายนี่เราหนีไม่พน้นแต่เราสามารถาเผชิญกับมันได้อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าเรายอม ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายอาเชิญเข้ามานั่งได้เนี่ยมีที่ว่างๆบ้านอยู่ที่ไหนที่ที่มาเนี้ยดอนเมืองนองอะกรุงเทพฟังมานานหรือยั ง, นนงฟังมาสอปีและะ้วค่ะสองปีนะ ด้วยค่ะมีมีอยู่ในเพจอม้าสายของกลุ่นะค่ะอะไรอยู่ในกลุ่มด้วยอะไรเขาไปแชร์อะไรได้รับได้สั่งเองนะคะอาไปหยกมาเครดูทเคยดูถ่ายทอดสดบ้างเนียตอนนี้กาลังถ่ายทอดสดอยู่มีทุกวันบ่ายสองโมงสองเอสองถึงสี่โมง ทาง YouTube ก็มีทาง f a c e b o ๊กก็มีก็มีการถ่ายทอดสดมาเกือบปีแล้วมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุน ม, มาเสียสละเวลามาทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เพราะฉั้นพยายามหัดยอมดีกว่ายอมรับความจริง อย่าไปอยากขอความอยากจะทำให้เราทุกข์ให้ตั้งชีวิตเราตั้งจิตตั้งใจของเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าไปตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอยาก mm hmm. เ, าเวลาอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจ mm hmm. แต่ถ้าเราไม่อยากเราพอใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่นี้อยู่ เราก็ไม่เสียใจเราก็ไม่ทุกข์ใจเราก็อยู่ได้มีความสุขได้ตามฐานะของเราความสุขใจในี่ความจริงมันไม่ได้ขึ้นกับฐานะเลยยากดีมีจนก็สามารถมีความสุขใจได้ถ้ารู้จักวิธีทําใจให้สุขวิธีที่ทําใจให้สุขก็อย่างที่พูดเนี้ยสูตรสามหย่อนนี่ครับยอมหยุดเย็น ยางรับกับสถานภาพของชีวิตเราเรามีแค่นี้เราก็พอใจกับสิ่งที่เรามีมอยู่กับสิ่งที่เรามีความจริงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็ไม่มากสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือปัจจัยสี่<ม>เพื่อร่างกายเพื่อดูแลร่างกายถ้าเรามีปัจจัยสี่แล้วก็ เราก็สามารถมีความสุขกายและสุขใจได้นะถ้าเราขาดตอใจัยสีเราก็ยังสามารถมีความสุขใจได้ถ้าเรายินดีกับความขาดแคลนคือเราพอใจกับการขาดแคลนมีน้อยก็อยู่กับมันไปอดอดอยากๆยากก็พอใจไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่ดิ้นรน ยอมยอมรับสภาพก็ก็จะไม่ทุกข์จะมีความสุขได้แต่ใจเรามันไม่ค่อยยอมกันใจมันอยากกันมันอยากจะได้มากกว่าที่มันมีอยู่ก็เลยทำให้ไม่สุขกันทำให้ทุกข์กันเราต้องมาหยุดความอยากกันเราต้องมา ทำใจให้ยอมรับสภาพที่ใจประสบอยู่วิธีใจจะยอมก็ต้องหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากต้องใช้การเจริญสติสติก็คือเครื่องมือที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากเวลาที่เราไม่คิดอะไรความอยากก็จะไม่มี เวลานไม่มีความอยากใจก็จะเย็ยนจะสงบจะสบายจะมีมากมีน้อยก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจกับร่างกายนี้มันเป็นคนละคนกันร่างกายเป็นคนหนึ่งใจเป็นอีกคนหนึ่งมาทํางานร่วมกันในที่ในตัวเราเนี้ยมีสองคน มีร่างกายแล้วก็มีใจใจเป็นเจ้านายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งจากใจก่อนที่พวกเราจะมาที่นี่ได้ใจต้องสั่งก่อนต้องคิดก่อนวันนี้มาที่มาที่นี่ดีไหมดีอย่างั้นก็ชวนกันมาก็สั่งทางทางวาจา ชวนเพื่อนชวนฝูงชวนญาติสนิทมิตรสหายชวนกันแล้วก็ออกเดินทางกันผู้ที่สั่งการนี้ไม่ใช่กล้างกายใจเป็นผู้สั่งการเป็นคนละคนกันแต่เราไม่รู้เราแยกร่างกายออกจากใจไม่เป็นเราเลยคิดว่าเป็นคนเดียวกันเราคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนเดียวกันทำหน้าที่ต่างกัน ใจทำหน้าที่คิดร่างกายทำหน้าที่เคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วเป็นสองคนด้วยกันร่างกายมาจากพ่อแม่ เ, เวลาที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาใจคือเราพวกเรานี้เป็นใจพวกเราที่ตายไปจาก พวกเราที่เสียร่างกายอันเก่าไปเวลาตายไปร่างกายอันเก่าเสียไปแต่ตัวเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่ก็มาเกาะร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เราแล้วก็อยู่ในท้องแม่อยู่เก้าเดือนพอโตก็ออกมา ออกมาแล้วใจก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตอนต้นก็สั่งให้ให้หัดเดินหัดคลานหัดทำอะไรต่างๆด้วยการอาศัยพ่อแม่เป็นคนสั่งคนสอนสอนให้พูดสอนให้ทำอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันความสุขใจกับความสุขกายนี่ มีที่มาที่ไปต่างกันความสุขทางร่างกายก็คือมีปัจจัยสี่สมบูรณ์มีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยร่างกายก็มีความสุขสบายแต่ความสุขของใจนี้อยู่ที่การไม่มีความอยากอยู่ที่ความสงบถ้ามีความอยากแล้วใจจะ ไม่มีความสุขต่อให้มีอะไรมากมายเพียงไรพอเกิดความอยากขึ้นมาสิ่งของที่เรามีมากมายนี้มันไม่สามารถทำให้ใจเราสบายเลยเ<ม><ม>พราะสิ่งของต่างๆที่เรามีมากมายนี้มันมีไว้สำหรับร่างกาย<ม>แต่ความสุขของใจนี้ต้องอยู่ที่การไม่มีความอยาก<ม>เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่เวลานั้นใจของเราก็จะหิว จะอยู่ไม่เป็นสุขทันทีแต่เราไม่รู้จักวิธีกำจัดความอยากด้วยวิธีที่ถูกต้องเราก ำ, ก, ำกำจัดความอยากด้วยการไปทำตามความอยากพอเราอยากได้อะไรเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราก็เลยต้องไปเอาสิ่งที่เราอยากได้พอเราได้สิ่งที่เราได้อยากได้มาเราก็ดีใจ ความไม่สบายใจก็หายไปแต่ความอยากมันไม่หายไปเลยเดี๋ยวมันสักพักมันกลับมาใหม่เดี๋ยวมันอยากได้อีกแล้วอยากได้สิ่งนั้นอีกแล้วอยากได้สิ่งนี้อีกแล้วมันจะอยากไปนี้ไปเรื่อยตราบใดที่เราไม่หยุดไม่ทำตามความอยากวิธีที่จะทำให้ความอยากหายไปเราต้องไม่ทำตามความอยาก เราอยากจะเลิกสูบบุหรี่เราทำยังไงเราสูบต่อไปแล้วเราต้องหยุดสูบเวลาอยากสูบบุหรี่ถ้าเราสูบต่อไปมันก็อยากใหม่ถ้าเราหยุดทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุหรี่เราหยุดสูบต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหายไปแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่เชื่อลองทำดู ของที่เราอยากเราทําอยู่เป็นประจํำเราอยากจะเลิกลองเลิกดูสิเวลาอยากแล้วก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มเช่นอยากจะดื่มกาแฟเี้อยากไปดื่มมันทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟก็อยากไปดื่มมันต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันจะหายไปแต่ถ้าเราทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟแล้วเราดื่มความอยากดื่มกาแฟมันไม่หายะ มันจะมันจะอยากต่อไปเรื่อยๆแล้วพอมีความอยากมันก็ทำให้เราต้องดิ้นหลนไปหากาแฟมาดื่มเวลาไม่มีกาแฟเราก็หงดจิตลาคานใจไม่สบายใจไม่สุขใจนี่คือพูดถึงความสุขใจที่จะสุขหรือไม่สุขนี่อยู่ที่ความอยากหรือไม่อยาก ที่เราให้ยอมก็คือให้เราหยุดความอยากนั่นเองอย่าไปอย่าไปสูบอย่าไปอยากดื่มแล้วเราจะอยู่เฉยๆได้ไม่มีกาแฟดื่มเราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีบุหรี่สูบเราก็ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่อยากบุหรี่เขาก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องของบุหรี่มีหรือไม่มีเขาก็ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่อยากกาแฟเขาก็ไม่เดือดร้อน ว่ามีกแฟนหรือไม่มีคนที่อยากคนที่ไม่อยากมีแฟนไม่มีความอยากมีแฟนเขาก็ไม่เดือดร้อนกับการมีแฟนเขาก็อยู่คนเดียวได้แต่คนที่อยากมีแฟนนี้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเหงาว้าเหวเพราะอยากจะมีแฟนพออยากจะมีแฟนก็อยากจะมีเรื่อยๆพอแฟนคนนี้จากไปก็อยากจะได้แฟนคนใหม่ เรอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงามันไม่สบายใจเพราะความอยากมันทําให้เราเหงาทาให้เรารู้สึกว่าวเวยถ้าเราไม่มีความอยากมีแฟนเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าวเวยเราจะอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆได้แต่ตอนนี้ใจของพวกเรานี้มันมีความอยากอาจจะมีความอยากต่างกันบางคนก็อยากเรื่องเสื้อผ้าะ บางคนก็อยากเที่ยวบางคนก็อยากกินอยากดื่มความอยากของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแต่ผลก็เหมือนกันทำให้อยู่ไม่เป็นสุขกันทำให้ต้องดิน้นทำให้ต้องไปหาอะไรมาหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าเราอยากจะให้ใจเราอิ่มเราพอเราต้องมาหยุดความอยากกัน วิธีหยุดความอยากพ่อพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่พระองค์ได้ใช้หยุดความอยากมาแล้วมีเครื่องมืออยู่สองอันคือสติกับปัญญาตอนต้นเรามาสร้างสติกันก่อนสติก็คือหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะเวลาเราไม่คิดมันก็ไม่อยากพอเราคิดปับ๊บมันก็จะอยาก คิดถึงบุหรีก็อยากขึ้นมาคิด <c oughs> ถึงกาแฟาก็อยากขึ้นมาคิดถึงอะไรแล้วมันจะทำให้เราต้องไปทำตามสิ่งที่เราอยากทำอยากได้เดี๋เรามาควบคุมความคิดกันดิด้วยการใช้สติหยุดคิดถ้าเรายังไม่มีสติก็ต้องใช้วิธีต้องต้องสร้างสติกันขึ้นมาวิธีสร้างสตินี้ก็มีหลายวิธี วิธีที่ง่ายๆก็คือให้เร า, เ, าเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปคิดไปในใจคิดแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงขนมอย่าไปคิดถึงกาแฟอย่าไปคิดถึงเสื้อผ้าอย่าไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวอย่าไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วความอยากต่างๆมันก็จะไม่เกิด เพราะไม่มีใครอยากได้พุโทโธกันเพราะเราไม่รู้ว่าพุโทโธเป็นยังไงเรารู้ว่าพุโทโธคือพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วยังไงยังไงก็ไม่มีวันที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้พอไม่สามารถคิดเรื่องต่างๆได้ความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ ความอยากไปเที่ยวความอยากไปซื้อเสื้อผ้าความอยากจะไปซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะอยู่อย่างสบายทุกครั้งเวลาเกิดความอยากเราก็พุโทโธพุโทโธไปอยากจะดื่มกาแฟก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพอลืมเรื่องกาแฟก็เหมือนกับได้ดื่มกาแฟนะเพราะว่ามันก็สบายขึ้นมา เวลาความอยากดื่มกาแฟหายไปความสบายก็ปรากฏขึ้นมาเราสามารถมีความสบายใจได้ด้วยการไม่ต้องดื่มกาแฟดื่มกาแฟก็สบายใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวมันมีความอยากดื่มกาแฟใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ดื่มกาแฟแล้วความอยากหยุดไปเราก็สบายใจขึ้นมาได้เหมือนกัน แล้วมันดีกว่าตรงที่ว่าความอยากดื่มกาแฟมันไม่จะไม่กลับมาอีกแล้ ว, ลวต่อไปเราไม่ต้องดื่มกาแฟเดือมน้ำเปล่าก็อยู่ได้ร่างกายไม่ต้องการกาแฟร่างกายต้องการน้ำไม่ต้องการส่วนผสมของกาแฟนมเยน้ำตาลเลย่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความอยาก อยากเสบลูกเสียงกลิ่นรสของกาแฟร่างกายต้องการน้ําที่เราดื่มน้ำเพราะร่างกายต้องการน้ ำ, น ำ, ตนำแต่ร่างกายไม่ต้องการรสชาติต้องอะไรของที่ผสมไปกับน้ํานี้กลับเป็นโทษกับร่างกายกาแฟดื่มออกไปแล้วก็ทําให้นอนไม่หลับแล้ววันไหนไม่ได้ดื่มก็ง่วงนอนอยากจะนอน เพราะมันไม่มีสารกระตุ้นให้ตื่นวันไหนไม่ได้ดื่มแล้วกลับมาดื่มปั๊บมันก็จะนอนไม่หลับทันทีเพราะมีสารกระตุ้นดงั้นมาฝึกหยุดความอยากกันมาฝึกฝึกสร้างสติกันใช้พุโทโธ หรือจะใช้วิธีหนึ่งก็ใช้การจดจ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูมันไปกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังล้างหน้าก็อยู่การล้างหน้าอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันคอยดูการกระทําของร่างกายอยู่อย่างทุกปิริยาบทมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ ออมันไม่คิดใจมันก็จะไม่อยากไม่มีความอยากขึ้นมาแล้วใจก็จะอยู่อย่างสบายทุกวันนี้ที่เราอยู่กันไม่เป็นสุขก็เพราะความอยากนี่อยากไปนู่นก็ต้องไปละพออยากไปข้างนอกบ้านถ้ายากไม่ได้ไปก็อยู่บ้านแล้วก็รู้สึกหงุดหง็ดขึ้นมาอยากจะไปซื้ออะไรถ้าไม่ได้ซื้อก็ไม่สบายใจ ต้องไปซื้อแล้วถึงจะสบายใจอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มเนที่ไม่จำเป็นต้องกินต้องดื่มการกินมีสองแบบกินด้วยความจำเป็นดื่มด้วยความจำเป็นกับกินและดื่มด้วยความไม่จำเป็นด้วยความอยากกินและดื่มด้วยความจำเป็นก็กินแบบกินยากินตามเวลาตามหมอสั่งอย่างนี้ถ้านอกเวลาก็อย่าไปกินอย่าไปดื่มอะ เพราะว่าความอยากมันจะทําให้เราไม่สบายใจกันไม่สุขใจไม่อิ่มใจกันเวลาไม่มีความอยากแล้วใจจะสุขใจจะอิ่มนี่คือเรื่องของใจที่พวกเราดูแลใจไม่เป็นกันแทนที่จะทําให้ใจสุขทําให้ใจอิ่มเรากลับไปทําให้ใจหิวอยู่เรื่อยๆหิวด้วยการาทําตามความอยาก พาพอเราทำตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะตามมาความอยากนี้มันเหมือนกับคลื่นในท้องทะเลมันจะมาไหลมันจะเข้ามาซัดเข้ามาในฝั่งเป็นละลอกละลอกเวี่ยงคิวกันเข้ามาเลยแต่ถ้าเรากั้นมันได้มันมันก็จะไม่เข้ามาเราต้องใช้สติกั้นมันหยุดมันสติก็จะหยุดมันได้ชั่วคราว แต่มันจะไม่หยุดอย่างถาวรถ้าจะให้หยุดอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาที่พระเจ้าทรงเห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการผลิตความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเมื่อมีความอยากก็จะไม่มีความสุขก็เท่ากับการเป็นการผลิตความทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆพอเราได้สิ่งนี้แล้วเราก็อยากจะได้สิ่งนั้นต่อ ในสิ่งนั้นแล้วก็อยากจะไปทำอย่างนั้นต่อทำอย่างนั้นแล้วก็อยากจะไปดูดูแล้วก็อยากจะไปฟังมันก็จะมีเรื่องอยากให้อยากไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดมันไม่ไม่ทำตามมันต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากอะไรมาสร้างความหิวสร้างความไม่พอให้เกิดขึ้นในใจเรามันก็จะหายไปหมด เราก็จะอยู่อย่างเย็นสบายมีความสุขไม่ต้องมีอะไรร่างกายก็มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะความสุขของใจไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งร่างกายใจความสุขของใจพึ่งที่สติพึ่งที่ปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาใจจะใจจะสุขได้ตลอดเวลาเพราะว่า สติปัญญาจะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายที่ตอนนี้เรามีร่างกายเพราะเราอยากใช้ร่างกายไปหาอะไรให้กับเราเราไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายเราอยากจะดูอยากจะฟังอะไรเราต้องใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเนี่ย ร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีตัวสัมผัสรับรู้กับความรู้สึกต่างๆความรู้สึกร้อนเยน็นแข็งนุ่มต้องใช้ร่างกายเป็นตัวสัมผัสรับรู้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกาย เหมือนตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลานอนนอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายแต่เราก็หลับอย่างสบายมีความสุขความสุขของคนรวยคนจนนี้เท่ากันตอนที่นอนหลับนี่แหละเวลานอนหลับเราก็สบายคนจนจะนอนอยู่ใต้สะพานคนรวยจะนอนอยู่ในโรงแรมห้าดาวเวลาหลับมันก็สุขเหมือนกันเพราะตอนนั้นไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกาย หยุดทำงานชั่วคราวใจก็มีความสุขกับการาความสงบของใจแต่ไม่แน่บางคนนอนหลับแล้วก็แทนที่จะสุขกับไม่สุขก็ได้พราะนอนหลับแล้วฝันร้ายบางคนนอนหลับแล้วฝันดีมีความสุขอะไรทำให้เราฝันร้ายอะไรทำให้เราฝันดีก็การกระทำของเรานี่แหละ ถ้าเราทำดีเราก็จะฝันดีถ้าเราทำร้ายเราก็จะฝันร้ายอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พระเจ้าสอนให้เราทำความดีอย่าทำความชั่วกันเพราะมันมีผลต่อจิตใจของเราเวลาที่เรานอนหลับหรือเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วมันยังมันจะทำมันจะมีผลต่อใจใจของเราจะสบาย จะฝันดีหรือจะฝันร้ายก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่เราทำกันถ้าเราฝันร้ายเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ไปอบายได้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปจริงๆมันก็จะไปอบายจริงๆใจที่ทำบาป ก, ก็จะต้องไปอบาบัย ไปเป็นเดลฉะนบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นผีบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าใจทําความดีใจไม่ทํำบาปใจทําแต่ความดีช่วยคนนั้นช่วยคนนี้มีอะไรก็แบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้สร้างความสุขให้กับคนอื่นเวลานอนหลับก็ฝันดีฝันว่าได้ ได้ไปเที่ยวได้ไปได้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตนพอเวลาไม่มีร่างกายก็ก็จะฝันในแบบนี้ไปก็เรียกว่าไปสวรรค์กันไปเป็นเทวดากันไปเสพรูกทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันเวลาเราหลับฝันดีบางทีเราฝันว่าเราได้ไปเที่ยวที่นูวนเที่ยวที่นีนนน่ได้ดูนั่นได้ฟังนี่ได้เดิมได้รับประทานอาหารอะไรต่างๆ อันนี้เราก็จะฝันอย่างนี้ถ้าร่างกายตายไปแล้วถ้าเราไม่ได้ทํำบาปเราทําแต่บุญเนี่ยใจก็จะฝันไปฝันแต่เรื่องดีๆเราก็เรียกว่าความฝันของใจนี้เป็นสวรรค์แล้วจนกว่าบุญที่ทําให้เราฝันดีนี้หมดกําลังเราก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็จะมีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่ นี่คือเรื่องใจของเราที่ไม่มีวันตายมีแต่เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆตามอำนาจของบุญของบาปตามอำนาจของความอยากต่างๆถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่เราก็ยังต้องกลับมามีร่างกายอยู่ก็เรายังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มลมบดมกลมิ่นอยู่ mm hmm. ก็ต้องมามีร่างกายกันแต่ถ้าเรา ตัดความอยากได้หมดเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องกลับมามีตาหูจมูกนิ้นกายเพราะเราไม่ได้อยากเสดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายแต่เราก็อยู่แบบไม่มีร่างกายได้อยู่แบบตอนที่ตอนที่เราตายไปจากชาติก่อนเนี่ยตอนที่ร่างกายอันเก่าของเราตายไปตอนนั้นเราก็ยังอยู่กันอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบ แบะอยู่แบบนอนหลับฝันกันฝันดีฝันร้ายกันไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ไม่มีความฝันไม่มีฝันร้ายฝันดีเราก็จะตื่นพระพุทธเจ้าท่านเรียกเป็นผู้ตื่นท่านไม่ฝันแล้วท่านไม่ท่านไม่ต้องผลิตความฝันมาหลอกตัวท่านท่านอยู่กับความว่างความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ถาวร น, นี่คือใจของพระพุทธเจ้าที่หลังจากร่างกายของท่านตายไปแล้วท่านก็ไม่มามีร่างกายอันใหม่แต่ท่านก็ไม่ฝันดีไม่ฝันร้ายท่านหยุดความอยากได้ท่านตื่นจากความหลงท่านอยู่กับความสงบอยู่กับความว่างไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนพวกเราพวกเรา ไม่ใช่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายเฉพาะชาตินี้เท่านั้นนะถ้าเรายังไม่สามารถตัดความอยากต่างๆได้หมดเราก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะเวลาแก่มันดีไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันดีไหมเวลาตายดีไหมเวลาต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักไปให้มันดีไหมมันสุขเมือมันทุกกัน แล้วขณะที่อยู่ขณะที่ยังไม่จากกันก็ต้องมากังวลกันต้องมาห่วงกันไม่รู้ว่าจะจากกันเมื่อไหร่นี่คือความทุกข์ที่จะได้จากการที่เรามาเกิดกันพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะกลับมาเกิดพระพเจ้าเห็นความแก่ความเจ็บความตายแล้วท่านกลัวกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายท่านไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย อันก็เลยไปค้นคว้าหาวิธีทาอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็คนพบว่าวิธีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือไม่ต้องมาเกิดเท่านั้นเองถ้ายังเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายอยู่แต่ถ้าไม่เกิดมันก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาแล้วอะไรที่ทำให้มาเกิดอะไรที่ทำให้ไม่ต้องมาเกิด เราบตจาก็ส่งคนเพราะว่าก็คือความอยากของเราเองคามอยากในลูกเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ได้ความอยากความอยากไม่ไม่เสียสิ่งที่เราได้มาไปไม่ความอยากไม่เสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบ ถ้าเรามีความอยากสามตัวนี้อยู่มันจะทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอเราเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดพระพุทธเจ้าเห็นว่ามันเป็นตัวที่ทำให้กลับมาเกิดท่านก็เลยใช้วิธีนั่งสมาธิหยุดมันใช้สติหยุดมันแล้วใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย ก็ต้องไม่ทำตามความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าก็เลยฝืนความอยากทุกอย่างได้หมดอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานหน่อยท่านไม่มีเลยตัดได้หมดพอไม่มีแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่ไม่ต้องกลับมาเกิดพอไม่เกิดก็เลยไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายสบายอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าอยู่แบบมีร่างกาย ใจนี้ไม่มีวันตายแต่ใจถูกความหลงหลอกให้มามีความอยากกับร่างกายก็เลยต้องมาทุกกับร่างกายเพราะว่าเมื่อมีร่างกายก็รักร่างกายหวงร่างกายไม่อยากจะเสียร่างกายไปแต่ร่างกายโดยธรรมชาติของมันมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปพอเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็เลยทําให้ใจทุกกัน แต่ถ้าใจไม่ต้องใช้ร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเพระพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าตัดความอยากได้หมดจากใจ mm hmm. ท่านก็ยังมีร่างกายอยู่แต่ น, นั้นท่านอายุแค่สามสิบห้าตอนที่ท่านตัดสรู mm hmm. ตอนที่ท่านตัดความอยากให้หมดไปจากใจได้เนะี่ยอายุสามสิบห้าหลังจากนั้นอีกสี่สิบห้าปีนี้ท่านไม่ทุกข์กับร่างกายเลย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่ท่านเฉยๆเพราะท่านไม่ไปยึดติดกับร่างกายไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายท่านปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้ไม่เดือดร้อนแล้วท่านก็จะไม่มีร่างกายอันใหม่เพราะท่านไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกาย แ, แล้ว ท่านมีวิธีหาความสุขที่ดีกว่าการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเลยเหมือนคนที่หาความสุขกับยาเสพติดกับคนที่หาความสุขกับไม่ต้องใช้ยาเสพติดอันไหนจะดีกว่ากันคนที่หาความสุขด้วยการเสพยาเนี่จะต้องทุกเวลาที่ไม่มียาให้เสพ แต่คนที่ไม่ต้องใช้ยาเสพติดเป็นวิธีหาความสุขเขาก็ไม่เดือดร้อนเวลามียาเสพติดหรือไม่มียาเสพติดเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขมีวิธีหาความสุขแบบอื่นได้ฉันใดคนที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกับคนที่ใช้สติปัญญาหาความสุขนี้ก็ต่างกันคนที่ใช้ร่างกายก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขได้แต่คนที่ใช้สติปัญญาหาความสุขด้วยการกําจัดความอยากต่างๆเขาก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็สติปัญญาก็ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพอมีสติแล้วมันก็จะมีอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมีปัญญาแล้วมันก็จะมีกับอยู่กับเราไปเรื่อยๆ มันจะไม่มีวันหายไปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบคือความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขความสุขที่ใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะที่จะมากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปพอไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็จะ สุขไปตลอดเวลาเรียกว่าบรมสุขนิพพานังปละมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งอะไรคือนิพพานนิพพานก็คือใจที่ปราศจากความอยากต่างๆนี่เอเรียกว่านิพพานใจที่ไม่มีกามตัณหาไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสใจที่ไม่มีภาะวะตัณหาไม่มีความอยากใน อยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นอยากได้นี่ละใจที่ไม่มีวิภาวะตัณหาคือใจที่ไม่มีความอยากไม่ได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการสิ่งนี้ใจสามารถอยู่กับอะไรก็ได้อยู่กับสิ่งที่มีก็ได้อยู่กับสิ่งที่ไม่มีก็ได้นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กัน เราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะหาหาความสุขด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วเราก็ต้องมาทุกเวลาที่ร่างกายไม่สามารถเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายนี้เราจะทุกข์มากแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะไม่ทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แล้วเพราะเราได้พบกับวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ท่งค้นพบคือวิธีหยุดความอยากต่างๆโดยการสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรตอนต้นเราก็หยุดแบบชั่วคราวไปก่อนเพราะมันง่ายเพียงแต่ ท่องพุดโทพูดโทไปเราก็หยุดความอยากได้แล้วแล้วพอเราหยุดความอยากได้แล้วใจเราสบายเราก็มาคิดทางปัญญากันถ้าใจเราไม่สบายเราจะคิดทางปัญญาไม่ออกเพราะมันจะคิดไปในทางกิเลสพอมันไม่สบายใจมันอยากว่ามันก็ต้องไปหาไปทาตามสิ่งที่มันอยากแต่พอเราหยุดความอยากในชั่วคราวไม่มีความอยากมารบกวนใจ เราก็สามารถคิดในทางปัญญาได้คิดว่าการทำตามความอยากกับการไม่ทำตามความอยากอันไหนจะดีกว่ากันถ้าทำตามความอยากก็ต้องทำไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าฝืนความอยากได้ต่อไปก็ไม่ต้องทำตามความอยากพอเรารู้แล้ววาวิธีที่จะทำให้เร า, เาไม่มีความอยากวิธีที่เราทำลายความอยากก็คือต้องไม่ทำตามความอยากนั่นเอง พออยากจะสูบบีก็ไม่สูบอยากจะดื่มกาแฟาก็ไม่ดืม่มอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปอยากจะไปที่ไหนเนี่ยก็อย่าไปมันเปลี่ยนใจนะยังไม่สายไม่ยกเลิกได้ไปแล้วเดี๋ยวต้องอยากไปอีกไปเที่ยวที่นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยว ท, ที่น่นต่อถ้าตัดได้ก็ไม่ต้องไปแล้วต่อไปจะอยู่เฉยๆได้เงินทองก็ไม่ต้องเสีย ไปเที่ยวก็เสียเงินเสียทองของเงินเสียเงินทองก็ต้องไปหาเงินมาใหม่ก็ต้องไปทำงานต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินเองต้องไปทุกข์กับการหาเงินอีงแต่ถ้าไม่เที่ยวก็ไม่ต้องเสียเงินก็ไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปทุกข์กับการหาเงินอยู่บ้านเฉยๆก็อยู่มีความสุขแล้วอยากจะไปเที่ยวก็เปิดดูรูปภาพก็ได้นี่มีเยอะแยะภาพอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดอยากจะไปเที่ยวเมืองไหนก็เปิดดูเอา ประหยัดกว่าเยอะๆสบายกว่าด้วยไม่ต้องไปเหนื่อยไปพูดภาษากันก็ไม่รู้เรื่องไปต่างประเทศคุยกัก็ไม่รู้เรื่องไปกินข้าวของเข า, ากินไม่ลงอีกเที่ยวทางอินเทอร์เน็ตดีกว่าเที่ยวในบ้านสบายแต่ไม่อยากได้ยิ่งดีงไม่ต้องเที่ยวมันอยู่กับความว่างดีกว่านิบานังประมังสุ่าง นิพพานก็คือความว่างความว่างคือความสงบความสงบคือความว่างคือความสุขความที่ไม่มีความอยากนี่ใจจะว่างใจจะไม่ต้องมีอะไรอยู่กับความว่างได้นั่นเองถ้ามีความอยากแล้วมันอยู่กับความว่างไม่ได้มันจะเหงาจะว้าเห่เวลาอยู่เฉยๆไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังไม่มีใครคุยด้วยไม่มีอะไรเป็นเพื่อนนี้จะเหงามาก แต่ถ้าใจที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่เหงาจะชอบอยู่กับความว่างเพราะมันสบายใจจะเบื่อกับการที่จะต้องอยู่กับรูปเสียงกลิ่นเพราะมันลำคาญแต่ยินฟังเสียงคนโน้นพูดคนนี้พูดเดี๋ยวก็เบื่อละลำคาญเน่ะมีแต่เรื่องบน่นมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเน่ะที่พูดส่วนใหญ่ก็พูดแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเพราะในใจมีแต่ความทุกข์จึงม่กต้องระบายออกมาตามเสียง นี่คือทางเลือกใหม่ที่เราไม่รู้กันชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอทางเลือกได้มาเจอพระพุทธเจ้าที่สรงคนพบทางเลือกที่วิเศษทางเลือกที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องทุกข์กลับอะไรอีกต่อไปเพราะเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพอไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ต้องพัดพากจากกัน ก็เราต้องตัดสินใจเราเป็นผู้ที่จะต้องเลือกทางว่าเราจะทำตามความอยากหรือเราจะฝืนความอยากกันถ้าเราอยากจะฝืนความอยากเราก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญากันถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถสู้กับความอยากได้หยุดความอยากได้การที่เราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้เราก็ต้อง หยุดกิจกรรมต่างๆทางร่างกายด้วยการถือศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองรอยยี่บเจ็ดเพราะศีลนี้จะห้ามไม่ให้เราทำกิจกรรมทางร่างกายเก็นไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ให้กินมากเกินไปกินแค่วันละมือก็พอหรือสองมื้อเป็นอย่างมากแต่ไม่หลังเที่ยงวันไปแล้วยุติการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ยุติการแต่งเนื้อแต่งตัวยุติการนอนแบบสบายนอนมากเกินไปนอนพอให้พักผ่อนร่างกายได้ก็พอนอนบนเพื่อนแข็งๆแล้วจะนะไม่ต้องนอนมากจะได้มีเวลาลุกขึ้นมาทำสติทำสมาธิทำปัญญากันเพราะตอนนี้เรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเรายังไม่มีกำลังสู้กับความอยาก ถ้าเราไม่มาทำสติไม่มาทำสมาธิไม่มาทำปัญญาเราจะไม่มีทางที่จะสู้เหมือนได้แต่ถ้าเราเอาเวลาที่เราไปเที่ยวไปทำตามความอยากต่างๆนี้มาทำสติมาทำสมาธิทำปัญญากันเดี๋ยวเราก็จะมีพลังขึ้นมามีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วเราก็จะสบายจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับอะไรอีกต่อไป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 ยะถาวาริวะหาปุราริกปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตท e ินางเปตานางอุปการปติอิชิต an ังปะิตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจัตุสาเพปุเรนตุจังกปายันโทปนะบาโยะถามณิโชติ so นระโสยถาสพภิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิริสานิจังุทธาปจายโนจตารุธรมาวาทาติอายุวันุสุขัง อ่านอันนี้ก็กเกษียณแล้วแหละอันนี้มีเวลาว่างก็มาศึกษาธรรมะ ด, นนมมธรรมดูธรรมะจะเป็นประโยชน์ในวัยชราเราจะได้มีกิจกรรมทำโดยที่เราไม่ต้องใช้ร่างกาย สือทำละนั่งสมาธิก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีเพื่อนฝูงเพรเพื่อนฝูงก็จะตายไปเรื่อยๆที่เราคนสองคนีนะที่อยู่ของพระปฏิบัติพ็ทราบเคยเคยมาตั้งทั่นี่ธกิจตัมโนนะทเกตที่เป็นผู้ว่าชนบุรีใช่ไหมอ่าใช่ ไปได้ยินชื่อสมเด็จพระยาน ย, ยุคสร้างวัดใหม่ทุกเสด็ตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าที่นี่ท่านา น, า น, านา้องมาเฝ้าสมเด็จก็สังคาราอยู่เ น, นี่ยอันนี้ท่านไั่ค่อยสังเสียงท่านไม่ค่อยเงยก็ไปเรื่อยๆไม่พยายามไม่ไปดันมันไม่ผักมันพูดใบแบบสบายสบายเมื่อก่อ เมื่อก่อนอาจจะพยายมมากไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าต้องเหนื่อยอย่นี้ก็ไม่พยายามมาล่าพูดไปตามภาษีภาษานึกนึกอะไรได้ก็พูดไปอ่าไม่เป็นไรก็พูดไปเรื่อยๆพูดพูดทุกวันอย่างนี้คนฟังบ่อยๆก็จะเก็ตเองอ่ะก็เรื่องเดียวอะเรื่องความอยากเรื่องนี้พูดตลอดเวลาก็เรื่องของความอยาก ความอยากมันทำให้เราต้องดิ้นรนอยู่ไม่เป็นสุขกันแต่เราก็หยุดความอยากไม่เป็นกันมันก็เลยต้องดิ้นเพราะเวลามันอยากแล้วมันเหมือนเหมือนปลาติดเบ็ดเนี่ยมันเจ็บมันต้องดิ้นแต่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งแจบใหญ่อันนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามความอยากมันไม่มันไม่ตายง่ายความ ที่กุฏิราไม่มีมีใครพักอยู่รครับตอนนี้ว่างอยู่ตอนนี้ว่างเลยสองกลานะครับอ่าก็ติดต่อมาบอกท่านยีเวฆนะบอกรบจะติดต่อแบบนี้เลยได้เพราะว่ามันยุนอยู่บ้านมันสู้อยู่นี้ไมได้อ่ามันบรรยากาศมันไม่เหมือนกันที่นี่คือสาดที่นี่มันไม่มีอะไรมาคอยมาแย่ อยู่ที่บ้านมันของรอบมีของยาของยาความอยากเซ็นไม่หมดหนูมีอะไรจะถามไหมไปคุยกันมันมีคนก็จะถามใช่เสียไม่ได้มาทนานเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติ้วยอะเพ่งับมาปฏิบัติคือสงสัยว่าเวลาที่เรา เวลาที่เราปล่อยลมหายใจแล้วอะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะกำหนดแล้วอยากจะปล่อยแล้วอะไม่ไม่ไม่ไม่ปล่อยต้องดูไปเรื่อยๆดูดูเฉยๆไปอย่าไปปล่อยเลยคือพอกําหนดไปสักรยะเนี่รู้สึกว่าลมหายใจมันมันสงบแล้วอะก็ก็ก็ดูมันไปเฉยๆอย่าไปปล่อยถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวจิตมันจะไม่สงบจิตมันจะไม่มีตัวเกาะแล้วเดี๋ยวมันจะคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะ สร้างภาพสร้างอะไรมาหลอกมาหลอนเราได้ดังนั้นอย่าไปปล่อยถ้าดูลมก็ดูไปเรื่อยๆดูเฉยๆมันไม่เหนื่อยหรอกก็ดูไปเท่านเองอย่าไปที่อื่นกิเลสมันชอบดึงใจให้ไปที่อื่นเราต้องมีอะไรเกาะไว้ไม่ให้มันดึงใจไป ท, ทํานู่นทํานี่ผลิตนู่นผลิตนี่ขึ้นมาดูไปเรื่อยๆลมจะละเอียดลมจะเบาก็รู้ว่ามันละเอียดรู้ว่ามันเบา แม้แต่ลมจะหายไปก็รั่วมันหายไปแต่ให้ดูไปดู อ, อ, ปดอ่าเฝ้าดูเฉยๆอย่าปล่อยอย่าปล่อยใจเปน็นอันขาดถ้าปล่อยแล้วเหมือนปล่อยเด็กเนี่ยพอเราไม่เฝ้าเด็กเพราเดี๋ยวเด็กมันก็ไปโซนไปทําอะไรเสียหายได้ดังนต้องเฝ้ามันไว้จนกว่ามันจะตกลุมตกบ่อแล้วมันก็จะนิ่งทีนี้ไม่ต้องดูมันละพอมันตกลุมมันจะรู้สึกวุบลงไปแล้วสบายทีนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วให้อยู่กับ ให้มีสติอยู่กับความสบายนั้นไปถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าทิ้งลมดูไปเรื่อยๆถ้าใช้พุโทโธก็อย่าทิ้งพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่ตกหลุมตกบ่อ ก, ก็อย่าหยุดพุดโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะตกหลุมตกบ่อไปแล้วมันก็จะเบาเย็นสบายตฉะนั้นมันก็เหมือนกับ มันนิ่งมันไม่ดิ้นละตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดโธแล้แล้วก็อย่าไปดึงมันออกมาพิจารณาทางปัญญายังไม่ใช่เวลาเวลานั้นต้องการให้มันพักนานๆเพราะความสงบนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจจะมีกำลังมีพลังที่จะออกมาต่อสู้กับกิเลสเวลาเราใช้ปัญญาที่ทุกวันนี้เราไม่สามารถสู้กิเลสได้เพราะเราไม่มีความสงบ เรามีปัญญาเรารู้ว่าการทำตามความอยากไม่ดีแต่พอมันมาชวนเราไปกินกาแฟเราก็ยอมแพ้เหมือนทันทีแต่ถ้าเรามีความสงบเราจะมีความอิ่มใจจะอิ่มเพราะฉนั้นเวลาจะชวนกับไปดื่มกาแฟใจบอกไปทำไมกูไม่ได้ดื่มกาแฟไอคนดื่มคือร่างกายเยเรามาชวนกูไปทาไมมึงอยากจะชวนนั่งกายก็ดึงน่างกายไปสิแต่เราไม่ไปดื่มกับมัน พอใจอิ่มใจสบายใจก็เลยไม่หิวกาแฟถึงแม้จะมีความอยากชวนไปก็ไม่เอาได้หยุดได้แต่ถ้าไม่มีความสงบเลยพอคิดถึงกาแฟพอความอยากมาชวนให้ไปดื่มปั๊บมันก็ไปทันทีเราถึงไม่สามารถสู้กิเลสได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เรามีปัญญากันเรารู้ว่าความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กันแต่เราก็สู้ความอยากไม่ได้ เพราะเราไม่มีความสงบถ้าเรามีความสงบเราจะมีความอิ่มใจสุขใจพอใจไม่หิวไม่อยากพอ เ, เกิดความอยากเราก็ฝืนได้นี่คือเรื่องของสมาธิพยายามทำให้จิตเข้าไปจนตกหลุมตกบ่อให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ตกหลุมตกบ่อเนี่ยยังไม่มีกำลังพยายามให้มันตกหลุมตกบ่อให้ได้ แล้วมันจะสบายมีความสุขแล้วจะไม่หิวถึงแม้จะคิดถึงกาแฟก็เฉยๆได้แต่ถ้าไม่มีความอิ่มใจสุขใจนี้พอคิดถึงอะไรก็อยากกินขึ้นมาทันทีอยากดื่มขึ้นมาทันทีแล้วก็ฝืนมันไม่ได้สู้มันไม่ได้เพราะใจหิวแต่การทำตามความอยากไม่ได้ให้อาหารกับใจให้อาหารกับร่างกายแทนให้กาแฟร่างกายก็เป็นผู้รับกาแฟ ่กินกาแฟกี่แก้วความหิวความอยากของใจก็ยังหิวยังอยากเหมือนเดิมเพราะใจไม่ได้ก็อาหารอาหารของใจคือสมาธิถ้าเราให้อาหารกับใจให้อาหารของใจคือสมาธิแล้วต่อไปใจก็จะไม่หิวไม่อยากกับอะไรคิดถึงอะไรก็ไม่อยากคิดถึงกาแฟก็เฉยคิดถึงขนมก็เฉยคิดถึงอะไรก็เฉยได้ถ้าใจมีสมาธิมีความอิ่มมีความสุข วันนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สูงสุดสามร้อยหกสิบทางยูทูบสูงสุดห้าสิบมีคําถามเข้ามาอย่างเชิญถามเลยคําถามในอินบ็อกซ์จากคุณคณิศสอนค่ะคําถามยาวนิดนึงไปอ่อานดูสั้นๆได้ไหม <c oughs> อเอาตรงที่มันถามอะ่ะเอาตรงที่มันเล่าไม่ต้องเล่าเขาไป่นไปก่อนเดี๋ยวรอให้เขาสอบคำถามเข้ามาเพราะยาวไป ถามจากคุณชิลารดสวรรค์นรกมีจริงใน พ, พุทธศาสนาแล้วศาสนาอื่นจะมีไหมแล้วจะไปนรกสวรรค์ข้ามศาสนาได้หรือเปล่าครับเกอเราต้องเข้าใจคําว่าศาสนาว่าศาสนาก็คือผู้ศึกษาความจริงดะงนั้นศาสนาบางศาสนาอาจจะไม่ได้ศึกษา <Yeah. S 2> เห็นความจริงก็ได้ <Yeah. S 2> ความจริงก็คือนรกสวรรค์นี่มันมีจริง yeah. อยู่ที่ว่าผู้ที่ไปศึกษานี้จะเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ไม่เขาก็มาเขาก็ไม่มาสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ราะาไม่เห็นแต่ผู้ที่เขาศึกษาแล้วก็เห็นเขาก็มาสอนเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไปศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลต่างๆดวงดาวต่างๆเขาเห็นเขาก็มาสอนก็เป็นเรื่องของคนที่ไปเห็นแล้วมาสอน เราก็เรียกคนที่มาสอนว่าเป็นศาสนาเป็นศาสดาไปเท่านั้นเองะยัน้นศาสนาจะสอนเรื่องไม่สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ไม่ได้ไปปฏิเสธไม่ไม่ไปลบล้างความจริงของนรกเรื่องสวรรค์ได้อยัน้นถ้าเกิดบางศาสนาอย่างพวก ว, วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นี่เราจะเรียกว่าเป็นศาสนาก็ได้เพราะเขาก็ศึกษาความจริงเขาก็ปฏิเสธเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะเขาศึกษาทางร่างกาย เขาศึกษาผ่านทางตาตาที่เขามองเห็นเขาใช้กล้องจุลทรรศส่องขึ้นไปจ้างกล้องเทเลสโคปไม่ใช่จุลทรรศเนี่ยส่นะสองส่งไปทางบนฟ้าเขาก็เห็นดวงดาวต่งตางๆเขาก็ไม่เห็นสวรรค์เขาส่ง เ, เขาเจาะน้ำมันเจาะอะไรลงเข้าไปในพื้นดินเขาก็ไม่เจอนรกเจอแต่น้ำมันเขาก็เลยปฏิเสธว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มี แต่ผู้ที่เขาเห็นสวรรค์นรกเขาไม่ได้เห็นสวรรค์นรกด้วยร่างกายเขาเห็นสวรรค์นรกด้วยใจผู้ที่เขานั่งสมาธิเนี่ยเขาเป็นคนที่เปิดตาในเปิดตาใจขึ้นมาเขาก็เปิดตาใจเขาก็เลยเห็นหมด เ, เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจแต่ละดวงเห็นจิตใจแต่ละดวงที่เป็นนรกเป็นสวรรค์ด้วยอํานาจของบุญของบาปที่เขาทากันอนี่ก็คือ เรื่องของคนที่เห็นอีกจั ก, กรวาลหนึ่งคือจั ก, กรวานโลกทิพย์เห็นอีกโลกหนึ่งพวกนักวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเห็นโลกธาตุโลกที่เราอยู่นี่เรียกว่าโลกธาตุเขาจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวดวงดาวก็เป็นธาตุธาตุสีนินน้ําลมไฟลอยอยู่ในอาวากาศอาวากาศก็เป็นอากาศสธาตินีแต่เขาไม่มีตาในเขาบอดเขาไม่รู้จักเปิดตาในเขาเลยมองไม่เห็นโลกทิพย์ที่เป็นอีกโลกหนึ่ง ที่ต่างจากโลกโลกกทาโลกสวรรค์นรกไม่ได้อยู่ในโลกกท่าสวรรค์นรกนี้อยู่ในโลกทิพย์คนที่จะเห็นโลกทิพย์ได้นี่ต้องเปิดตาในเปิดตาทิพย์ขึ้นมาพอเปิดตาทิพย์ขึ้นมาก็จะเห็นเห็นโลกทิพย์เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงใจของดวงจิตแต่ละดวงที่ขึ้นขึ้นนองๆองอยู่ในระหว่างนรกระหว่างสวรรค์นี้ ด้วยอำนาจของบุญของบาปที่เขาทำกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนก็ตามนะจะสอนเกี่ยวกับ น, นรกสวรรค์หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มาเป็นาศาสดาของาศาสนานั้นว่าเขาเขาเห็นนรกหรือสวรรค์หรือไม่ถ้าเขาไม่เห็นเขาก็ปฏิเสธไปแต่การปฏิเสธคือไม่สอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้ไม่ได้หมายความว่านารกสวรรค์ไม่มีตราบใดที่คนยังทาบุญทาบาปอยู่ คนที่ทำบุญทำบาปนั้นก็ยังต้องขึ้นนรกลงขึ้นขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่เหมือนเดิมจะมีใครสอนแล้วไม่มีใครสอนจะมีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรความจริงย่อมเป็นความจริงเช่นไฟมันร้อนเนี่ยจะเชื่อหรือว่มันร้อนหรือไม่ก็ตามลองไปแตะมันดูมันก็จะรู้เองอยังเรื่องของความจริงนี้บางทีคนมองไม่เห็นเขาก็ปฏิเสธว่าไม่มี คนที่เขาเห็นเขาก็ว่ามี mm hmm. เข้าใจยังถามต่อคำ ถ, ถามจากคุณณพลค่ะการสอบจิตมีผลดีและผลเสียอย่างไรครับสอบจิตสอบจิตก็มีผลดีเราจะได้ดูว่าจิตเราดีหรือไม่ดีถ้าจิตไม่ดีเราก็จะได้ทำให้มันดีถ้าเราไม่สอบจิตเราไม่ดูจิตเราไม่เราไป ปล่อยให้จิตมันเป็นไปตามเรื่องของมันเองมันก็จะมักจะไปไปทําจิตให้ไม่ดีเพราะการทําจิตให้ไม่ดีมันง่ายกว่าการทําจิตให้มันดีก็เลยชอบทําจิตให้มันไม่ดีกันทําจิตให้ทุกข์กันคําถามจากคนณพิพักษค่ะการดับเวทนาของอุเบกขาดับในจิตอย่างไรครับคือเวทนานี้มันไม่ได้อยู่ในจิตเวทนามันเป็น เวทนาที่เกิดจากร่างกายเวลาร่างกายหิวข้าวเวลาร่างกายเจ็บคายได้ปวดมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาในจิตนี้มีทุกข์หรือไม่ทุกข์ที่จิตทุกข์เพราะว่าจิตไปยุ่งกับร่างกายไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บจิตก็เลยทุกข์ขึ้นมาผู้ที่รู้ความจริงอันนี้เขาก็หยุดความอยากอันนี้หยุด พอรู้ว่าความความเจ็บของร่างกายนี้เราไปห้ามไม่ได้เราไปสั่งมันไม่ได้เราไปอยากก็ทำให้จิตทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆทุกข์ในจิตเราไม่เรียกว่าเราไม่เรียกว่าเวทนาเราเรียกว่าทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ใช่เวทนาก็เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจเนี่ยเวทนานี้คือทุกข์ที่คือความรู้สึกที่เกิดจากทางร่างกายมีอยู่สามอัน มีทุกขเวทนามีสุ ข, ขเวทนามีไม่ทุกขไม่สุ ข, ขเวทนาอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่เราบางทีควบคุมบังคับไม่ได้บางทีก็ควบคุมได้เช่นวันนี้ร้อนเดี๋ยวกลับเข้าไปในบ้านเปิดแอร์มันก็เย็นก็ทำให้ทุกขเวทนาที่เกิดจากความร้อนหายไปได้แต่ถ้าเกิดแอร์เสียก็ทำไม่ได้นอกจากอาบน้ำ อาบน้ำก็บรรเทาความร้อนความทุกข์ที่เกิดจากความร้อนได้ชั่วคราวเดี๋ยวอาบน้านเสร็จสักพักเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกวิธีที่จะทำให้เราสบายทางใจก็คือก็อยู่กับมันไปอย่าไปอยากให้มันหายมันร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วทุกข์ทางใจเดี๋ยวไม่เกิดทุกเวลาไม่เกิดทุกข์ทางใจก็เรียกว่าอุเบกขาใจวางเฉยใจเป็นกลางใจไม่มีความอยาก ไม่มีความรักความชังกับเวทนาไม่ได้รักสุขเวทนาไม่ได้ชังทุกขเวทนาใจรับได้ทั้งสองส่วนสุขเวทนาก็อยู่กับมันได้ทุกขเวทนาก็อยู่กับมันได้นี่คือใจที่เป็นอุเบกขาใจจะเป็นอุเบกขาก็ต้องเกิดจากสติหรือปัญญาถ้าเกิดจากสติก็อุเบกขาชั่วข่าวถ้าเกิดจากปัญญาก็จะอุอเบกขาอย่างถาวร ถามจากคุณลานีการบริจา克ร่งกายให้กับโรงพยาบาลเมื่อเราตายไปแล้วจะถือว่าเป็นการทำบุญด้วยหรือไม่คะไม่เป็นการทำบุญนะเป็นการทำประโยชน์เพราะบุญไม่เกิดบุญต้องเกิดตอนที่เราให้ตอนที่เรายังไม่ตายเช่นควัก ต, กตายไปเลยบริจาคตายไปเลยควักตาไปเลยเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้เสียสละเราได้ช่วยคนอื่นให้เขาไม่ตายช่วยชีวิตคนอื่น มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขใจขึ้นมาเนี่ยคือความสุขใจก็คือบุญแต่เวลาที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเอาร่างกายนี้เราไปทำอะไรนะตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้สึกสุขใจแต่อย่างใดจึงไม่ได้บุญแต่เราได้ทำประโยชน์เอาร่างกายของเรานี้ไปให้เขาทำอะไรี่ก็ได้เอาวัายววาวะพอตายปุ๊บก็ถ้ายังไม่ยังไม่เสียก็เอาไปใช้ได้เลยเอาไป เอาไปหัวใจเอาไปให้คนอื่นตับเอาไปให้คนอื่นไตไปให้คนอื่นมันก็เป็นประโยชน์กับคนที่รับแต่คนที่ให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่รู้ไงถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องทำตอนที่ยังไม่ตายต้องรู้ว่าตัวเองได้เสียสละสิ่งที่ตนเองรักไปอย่างเวลาที่เราบริจาคไตไปเช่นพี่น้องเราหรือพ่อแม่เรามีไตมีเลือดเหมือนกันสามารถใช้ไตของกันและกันได้ แล้วถ้าเราไม่บอยจากตายไปให้แม่หรือพ่อพ่อก็อาจจะต้องตายแม่อาจจะต้องตายเราก็บอยจากไปแล้วทําให้พ่อแม่อยู่ได้เราก็รู้ว่าเราได้ทําประโยชน์เราได้เราก็จะมีความสุขจากการเสียสละของเราไปแต่ถ้าเราเบอยจากตอนที่เราตายไปแล้วพ่อแม่เอาตายเราไปใช้เขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราไม่ตายแต่ต่างตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาได้หรือไม่ได้ เราจะไม่มีความรู้สึกสุขใจที่เกิดจากการที่เขาได้ตายของเราไปยังไม่เรียกว่าเป็นบุญบุญคือความสุขใจคําถามจากคุณเกวอินค่ะจิตผู้รู้คืออะไรครับมีลักษณะต่างกับจิตอื่นหรืออย่างไรครับก็ที่พูดอยู่นี่ก็คือผู้รู้ที่ถามอยู่เป็นใครรู้บ่า คุณถามอยู่เนี่ยคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นใครคุณัำถามตัวคุณเองว่าคุณเป็นใครคุณก็คือจิตผู้รู้นี่ไงคำว่าจิตแปลว่าผู้รู้ไม่ใช่ว่าจิตผู้รู้จิตนี้มีสองอาการมีสองคุณสมบัติเป็นผู้รู้และผู้คิดที่ส่งคำถามมาก็คือผู้คิดแล้วผู้ที่รับรู้คำถามรับรู้คำตอบก็คือผู้รู้ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้รับรู้ร่างกายเป็นผู้รับเสียงเข้าไป รับภาพเข้าไปเท่านั้นเองเป็นผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลไปสู่ใจอีกทีหนึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสกับตัวใจตัวผู้รู้ตัวจิตนี้ตัวจิตนี้แหละเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วก็เป็นผู้รับผลของการสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆถ้าสั่งให้ทำดีก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ถ้าสั่งให้ทำชั่วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคำถามจากคุณออมเราทวงหนี้เขาเราผิดไหมคะเราเขาใช้เครดิตเรากู้ถ้าเราต้องใช้หนี้แทนเขาการเงินเราก็จะเดือดร้อนส่งผลต่อครอบครัวและหากเมื่อทวงแล้วเขากลับพูดไม่ดีกับเราแต่เราก็ไม่ได้โต้ตอบและภาวนาจเจริญสติปะครองจิตไม่ให้สั่นไหว และเกิดความสงบระงับขึ้นแทนแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าคะได้ทางที่ดีก็คิดว่าทําบุญไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายถ้าก็อยากจะคืนก็ปล่อยก็คืนทางก็ไม่อยากจะคืนก็คิดว่าเป็นเงินทําบุญไปเรื่องเงินถูกกล้นไปก็แล้วกันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเขาเราจะได้ไม่ต้องมาคอยข่มใจเพราะว่าถ้าเราถือว่าเป็นการทําบุญแล้วเราก็จบสบายใจ อย่างยยงงอาเงินมานี่จะมาทวงเมื่อไหร่หรือเปล่าถ้าทวงเราไปคืนเเพราะว่าวันหลังไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยพอมาเดี๋ยวเราไปแต่ไปต่อนะคำถามจากคุณอิทิติค่ะถ้าเราเพ่งตัวรู้อย่างเดียวใช่การทำให้เป็นสมาธิหรือเปล่าครับเราเพ่งตัวรู้ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ว่าตัวรู้อยู่ตรงไหนเราต้องเพ่งตัว ร่างกายแทนแล้วการเพ่งตัวร่างกายจะนำเรากลับไปสู่ตัวรู้เมื่อเราถึงตัวรู้แล้วเราก็คอยดูตัวรู้ให้มันรู้เฉยๆอย่าให้มันโลภอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันหลงแต่ตอนนี้เราไม่รู้ตัวตัวรู้อยู่ที่ตรงไหนเราเลยต้องการดูใช้ลมหรือใช้พุทโธหรือใช้ร่างกายนี้เป็นตัวหนึ่งให้เรากลับเข้าไปหาตัวรู้พอเราเจอตัวรู้แล้วเราก็คุมตัวรู้ไว้อย่าให้มันโลภอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันอยาก คนเกิดมาจนรวยไม่เข้ากันทําทไมเราถึงจําไม่ได้ในชาติก่อนคะดีย๋ยวว่าแต่ชาติก่อนแล้วชาตินี้ยังจําไม่ได้เลยทําอะไรไปมั่งเมื่อปีที่แล้วจําได้เมื่อเมื่อว่าอย่าว่อปีที่แล้วเลยเมื่อวานนี้ทําอะไรมั่งจําได้ว่จําจําเราสั้นมากเออนอกจากคนที่เขาจะมีความจําดีๆบางคนก็าอาจจะจําบางเรื่องบางสิ่งได้แต่บางทีเขาก็ต้องเข้าสมาธิให้จิตสงบ เพื่อที่จะได้เจาะเข้าไปในข้อมูลที่เก็บไว้ในจิตความจำนี่มันอยู่ในใจเราแต่บางทีเรามีความคิดมีเรื่องราวต่างๆมันมาบังไว้มากบไว้เราต้องทำจิตให้สงบเคลียร์พวกความคิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดในปัจจุบันก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเจาะเข้าไปย้อนนั้นย้อนเข้าไปได้ย้อนไปเมื่อวานี้เมื่อปีที่แล้วเมื่ อ, อไรนี่มันมีวิธีย้อนกลับไปได้ ก็สามารถระลึกเหตุการณ์ต่างๆในอดีตได้คนที่มีความสงบนี้จะมีความสามารถที่จะจำอะไรได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความสงบเมื่อกี้คำถามอย่างอื่นจำไม่ได้แล้วก็ถามอะไรบางมั้ยอนหลังถามทีละอย่างถามทีละห้าหกอย่างแ้วมตอบข้อแรกก็ถามว่าอะไรคนค้นทแล้วไปเกิดทานทีหรือไมคะอ่า ก็ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เริ่มเป็นเดาชะานนี่ก็ต้องรอเวลาเพบางทีต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าบางทีไปใช้บาปไปตกนรกนี่ก็ยังเกิดทันทีไม่ได้ก็ต้องไปอยู่นรกก่อนหรือถ้าไปรับผลบุญไปไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังไม่ได้มาเป็นมนุษย์ก็ต้องรอให้ให้หมดจากการเป็นเทวดาก่อนแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ บางคนนี่อาจจะไม่ต้องไปใช้บาปไม่ต้องไปรับผลบุญก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ภายในเวลาอันไม่นานก็ได้เช่นมีเหตุการณ์ที่มีเด็กบางคนที่เขากลับมาเกิดแล้วเขาบอกว่าเขาจําสถานที่ต่างๆได้ว่าที่นั่นเป็นยังไงมีอะไรบ้างอย่าะไรอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ไปรับผลบุญหรือรับผลบาปพอตายไปแล้วเขากลับมา เกิดอาจจะรอปีสองปีรอจังหวะหรือรอให้มีที่ตั้งท้องก่อนแล้วก็ามาเกิดได้ความจําก็เลยยังพอจะจําได้อยู่คำถามจากคุณมาลิฟังท่านอาจารย์พูดถึงจิตรวมแล้วอยากจิตรวมค่ะแต่หนูอยู่กับครอบครัวพยายามเจริญสติแต่ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกค่ะหนูมีโอกาสจิตรวมไหมคะตอนนี้ยังคงไม่มีหรอกแต่พยายามทำไปเรื่อยๆก่อน เดีย ว, วันหนึ่งเดี๋ยวคนนั้นกระจากเราไปคนนี้กระจากเราไปต่อไปเหลือเราคนเดียวเราก็จะสามารถมีเวลาทําได้อย่างเต็มที่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาจะทําก็ทําไม่ได้เดี๋ตอนนี้ฝึกสติไปก่อนหัดทําไปก่อนนั่งนั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็แล้วกันเวลาไหนาว่างเราก็เข้าไปในห้องอยู่คนเดียวอคือเราไม่จําเป็นจะต้องอยู่กับคนอื่นตลอด24ชั่วโมงใช่ไหม เวลาที่เราไม่จำเป็นจะต้องทำภารกิจไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็หลบเข้าไปในห้องแล้วก็ไปนั่งหัดนั่งพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปทุกคนก็ต้องจากออกไปหมดเนี่ยแล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วถ้าเราทาพุโทโธได้นั่งพุโทโธได้เราก็จะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว้างเหว่ ก็หัดท่องพุทโธไปแล้วสวดมนต์ภายในใจก็ได้ถ้าเรายังพุทโธไม่เป็นเราสวดมนต์เป็นก็สวดมนต์ไปก็ได้สวดอติปิโสร้อยจบเนี่ยสวดมลลาหลายรอบอิติปิโสอรหังสามมาภาควาอะไรเนี่ยสวดไปไปแล้วเราสวดเราก็จะไม่ฟุ้งเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆคําถามจากคุณวิชย์ี่มังคีค่ะ ที่เขาพูดว่าสอบอารมณ์คืออะไรครับสอบเองหรือว่าสอบกับครูบาอาจารย์ครับก็ได้หลายแบบสอบอารมณ์น <uh ีอย mm. mm. ู่ที่อยู่ที่เหตุการณ์อยู่ที่การสั่งสอนของครูอาจารย์ถ้าเราไม่มีอาจารย์เราก็ต้องสอบอารมณ์ด้วยตัวเองเช่นไปหาอะไรที่มาแยอารมณ์เราไปหางูหาผีหาคนเขาด่าเรา ก็ต้องทดสอบอารมณ์ของเราว่าเราเฉยได้หรือเปล่าถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์บางทีท่านก็สอบเราเช่นมีนิทานที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีพวกคุณหญิงคนนายไปฟังเทศหลวงปู่หลวงตาแล้วก็บอกโอ้ตั้งแต่ฟังเทศของหลวงปู่หลวงตานิเกเลศไม่รู้หายไปไหนหมดหลวงปู่ก็ตอบอี ต, ตอแหละก็เลยมาเลยเกเรเลยมาเลยกอดขึ้นมาเลยกอดหลวงปู่หลวงตาเลย ไม่รู้ว่าตัวเองก็ลังถูกสอบนะจริงก็สอบเขาไม่มีอะไรกับเราหรอกแต่กลับไปโกรธองปู่น้องตาไม่กลับมาเลยสอบตกเลยอ่อยยัยไหมนี่แหละไอ้ตอแหลทาไม่ดีระวเวลาถูกอาจารย์สอบกลับแล้วจะจะไปโกรธไปเกลียดท่านก็ช่วยไม่ได้นะทำ ไ, ไมโดนเลย ยกมือไหว้เลยอ่ะต่อคำถามจากคุณสมควรจิตเป็นอกุศลบ่อยๆจะแก้อย่างไรเจ้าคะก็คิดแต่เรื่องอกุศลเรื่องกุศลเนาะทําแต่เรื่องกุศลไปอเช่นแผ่เมตตาเจอใครก็ยิ้มแย้มทักทักทายเขาอ่ามีอะไรก็แบ่งกันมีอะไรช่วยเหลือกันก็ช่วยกันไปะ แล้วต่อไปมันก็จะคิดไปในทางกุศลคำถามจากคุณที่นี่ค่ะบุญบาตมีจริงไหมคะทําไมคนไม่รักบุญกลัวบาปพราะเขาไม่รู้ว่ามีจริงไงบุญมีจริงบาตมีจริงผลของบุญก็คือความสุขใจตายไปก็เป็นสวรรค์บาปมีจริงบาปก็คือความร้อนใจความทุกข์ใจเวลาตายไปก็เป็นนรกเป็นอบายไป แต่คนเขาไม่ได้ดูที่ใจเขาเลยเขาไปคิดว่าบุญเอผลของบุญของคนบาปนรกคือนรกสวรรค์นั้นเป็นของที่เราต้องเห็นด้วยตาเรามองไม่เห็นด้วยตาหรอกเพราะบนุบนท้องฟ้าไม่มีสวรรค์ในใต้ดินไม่มีนรกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคํถาถามจากคุณพิพัทค่ะการเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขาร มีจิตเป็นผู้รู้เป็นสองส่วนแล้วเห็นว่าสองส่วนไม่เที่ยงตามสมาธิปัญญาจิตจะเบาใช่ไหมครับเคยจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดเกิดดับดับขึ้นขึ้นลงๆถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขา แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคำถามจากคุณอภิสิทธิ์ถ้าเราเพ่งตัวรู้อย่างเดียวใช่การทำให้เป็นสมาธิหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่บริกรรมพุทโธใช่ไหมครับใช่ตัวรู้เรายังไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตัวรู้อยู่ตรงไหนเราก็ต้องพุโทโธเพื่อเข้าไปหาตัวรู้ก่อนเมื่อเราเข้าถึงตัวรู้แล้วทีนี้เราก็เข้าดูที่ตัวรู้ก็ได้หรือว่าตอนนี้ตัวรู้ สงบหรือไม่สงบวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายถ้าวุ่นวายเราก็ต้องหาวิธีกําจัดความวุ่นวายนั้นถ้าสงบก็รักษามันให้มันสงบไปเรื่อยๆคําถามเจากคุณนัทยาเวลานอนแล้วฝันเยอะมากๆค่ะแต่ละคืนหลายเรื่องก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิแต่ก็ยังฝันเยอะพระอาจารย์ช่วยแนะนําทางไม่ให้ฝันได้ไหมเจ้าคะ ก็เวลาที่เราตื่นก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าชักอย่าสวดแต่เฉพาะเวลาก่อนนอนสวดไปเวลาที่เราทำงานทำอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็สวดไปภายในใจก็ได้หรือเราจะใช้พุทโธก็ได้หรือเราจะใช้พุทโธธรรมโมสงโฆก็ได้พุทธังสานังกถามิก็ได้คือให้มีอะไรที่เราสวดล้วทำให้ใจเราสงบไม่คิดมากแล้วต่อไปเวลานอนหลับเราก็จะไม่ฝันมาก จากคุณคณิสอนค่ะเมื่อก่อนเข้าอัปปนาสมาธิแล้วจึงถอยออกมาพิจารณาแต่เดี๋ยวนี้พอภาวนาจิตจะอยู่ระหว่างอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่สามารถพิจารณาทำที่เข้ามากะทงใจได้ทำไมจิตจึงไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเหมือนเดิมครับเพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมไม่ให้มันคิดตัเองเราปล่อยให้มันคิดมันก็ไม่เข้าจะให้มันเข้าเราต้องให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียว หรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมันถึงจะเข้าไปได้เี่ยังเข้าไปไม่ถึงเราเริ่มพิจารณาทางปัญญาแล้วมันก็เลยไม่มีวันเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้เวลาทําสมาธินี่เราไม่ต้องการคิดเราต้องการหยุดความคิดเวลาจะคิดทางปัญญานี่เราให้ออกจากสมาธิมาก่อนหรือตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเช่นตอนที่เราเดินจงกรมนี่คิดไปเลยพิจารณาไปเลยอันนี้จังทุกขังอนันตต า, าสุภาษอะไ น, นี่พิจารณาได้ ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นที่เราไม่ต้องการจะคิดเพราะการคิดจะเป็นตัวขวางไม่ให้เกิดสมาธินั่นเองแต่เรานั่งสมาธิเราไปคิดก็อย่าไปนั่งให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเรานั่งนี้เพื่อหยุดความคิดไม่คิดอะไรทั้งนั้นคำถามจับคุณขจรศักดิ์ทำงานในหน้าที่มีสิท์ได้บุญไหมครับเช่นเป็นหมอพยาบาล ในหน้าที่ถ้ายังรับเงินเดือนอยู่ก็ไม่ได้บุญถ้าไม่รับเงินเดือนถึงจะได้บุญต้องทำโดยที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของเราเป็นการเสียสละจากะเป็นการแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นถ้าทำแล้วเรายังรับเงินเดือนอยู่อย่างนี้แสดงว่าเราเป็นลูกจ้างเราเป็นการเป็นการซื้อขายเป็นการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเราไปร้านเซเว่แล้วเราเอาเงินให้เขาเขาก็ให้ของเรามา ถ้าเราอยากได้บุญเราก็ให้เงินคขาแล้วบอกไม่เอาไม่เอาของไม่เอาไปแล้วสงสารคนขายแล้วชอบคนขายหน้าตาดีเอ้า <c oughs> เอาเงินนี้ไปทําบุญออย่างเงี้ยเรียกว่าทําบุญแต่ให้เงินคขาแล้วบอกไม่เอาของออย่างเงี้ยก็เรียกว่าทําบุญแผ่เมตตาเออเข้าใจไหม ออถามต่อถ า, ถามจากคุณนภพัฒค่ะทุกเย็นจะเข้าห้องสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทุกคืนแต่จิตไม่นิ่งเลยในตอนที่ขณะทำจิตก็จะไปคิดแต่เรื่องอื่นอยู่บ่อยๆเหมือนกำลังของกิเลสจะเยอะกว่าเป็นแบบนี้แล้วให้เราทำต่อไปฝึกพุทโธต่อไปอย่าได้ยอมแพ้ใช่ไหมคะใช่อาจจะต้องฝึกมากกว่าเวลาที่เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิ เราต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยช่วงที่เรายังไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานหรือทำอะไรก็ให้พุโทโธไปแล้วต่อไปถ้าเราทำบ่อยๆเข้ามันก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเองหมดแล้วนะ ม, วมีใครอยากจะถามอะไรอหมมั้ยสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าเราทำโอทีหรือว่าเราเราไป ถ้าเราไม่รับผลประโยชน์ก็เป็นบุญทำด้วยการเสียสละไม่ต้องการผลตอบแทนจากการกระทำะถ้ามีการรับผลตอบแทนมันก็เป็นการซื้อขายเป็นธุรกิจไปก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศล ล้้วนนีนอิิชากเกเส็ ย, ยังอยู่มันถูกกดไว้เป็นหินทับยาพาอออกจากสมาธิมามันก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมคนที่มีสมาธินี่ยังไม่ได้บรรลุอะไรนอกจากทําให้ใจสงบได้ชั่วคราวแต่บรรลุมรรคผลนี่ต้องใช้ปัญญาฆ่ากิเลสเวลาออกมาจากสมาธิปั๊บมันไปมองคนนั้นว่าเป็นคนเป็นเป็นเป็นสัตว์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าไม่ใช่เป็นดินน้ําลมไฟ มันจะได้ไม่มีความผูกพันกับสิ่งที่เรามองถ้าเรามองเห็นว่าเป็นคนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะมีกิเลสมีความรักมีความผูกพันขึ้นมาแต่ถ้าเรามองเห็นเขาว่าเป็นดินน้ำลมไฟเราไม่เที่ยงเดี๋ยวจะต้องแยกกายกายสลายไปเราก็ไม่ไปผูกพันกับเขาเราก็จะไม่ไปมีความรักความชังในตัวของเขา ไ ม, มไม่ใช่หรอกถ้าถ้าอัปปนามันก็ต้องอุเบกขามันถ้ามันยังไม่อุเบกขาก็ยังไม่ใช่อัปปนาออมันกลาเป็นฌานสามฌานสองฌานหนึ่งอยู่มันมีสี่ฌานฌานที่สี่ถึงจะเป็นอุเบกขาทีนี้เป็นอัปปน า, น เ, ปนอปปนาเอาแล้วนะที่ว่าอันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติ